มงคลชีวิตมงคลที่สาสิบหจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมผัฏษะโลกธรรมเมหิเอตมังคลมุตตมังความที่จิตไม่หวั่นไหว อย่างประสบกับธรรมของโลกคือโลกกระมได้แก่ลาบยศสันเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและทุกข์ชื่อว่าจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระมโลกกระทำแปธรรมดาของโลก เรื่องของโลกหรือความเป็นไปตามคติธรรมดาซึ่งหมุนเวียนมหาสัตว์โลก 1. ลาภะได้ลาบมีลาบ 2. อ, อลาภะเสื่อมลาบสูญเสีย 3. ยม ะ, ะได้ยศมียศ 4. อยย ะ, สะเสื่อมยศ 5. นินทาติเตียน 6. ประสังษาสันเสริญ 7. สุ ข, ข่ะความสุข 8. ทุกความทุกโลกะรํมว่าโดยสรุปมีสองคือลากยศสันเสริญสุขเป็นอิทธารณม คือส่วนที่น่าปรารถนาข้อที่เหลือเป็นอนิจฐารมคือส่วนที่ไม่น่าปรารถนาโลกธรรมครอบงำปุถุชนได้แต่ครอบงำอริยะไม่ได้โลกธรรมเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นทั้งแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ และแก่อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ต่างกันแต่ว่าคนพวกแรกย่อมไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงลุ่มหลงยินดียินร้ายปล่อยให้โลกกระทำครอบงำย่ายีจิตโฟยุบเรื่อยไปไม่พ้นจากทุกส่วนอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้เห็นตามความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่ตน ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่หลงไหลมัวเมามีสติดำรงอยู่จึงปราศจากทุกข์จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระมจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทําทำให้เป็นผู้สูงสุดของโลก 2. ไม่ต้องประสบสุขทุกข์ของโลก 3. เป็นผู้เข้าใจข้อดีข้อเสียของโลก 4. ใครๆก็ทำจิตให้เประเปื้อนบาปไม่ได้